พูดอย่างนี้อย่าเพิ่งพอแท้ใจเพราะว่าที่ว่าเป็นของหนักเนี่ยคือมันหนักจริงๆและสัศจรรย์ยากแล้วก็เป็นภูมิเฉพาะมหาบุรุษเท่านั้นเป็นภูมิธรรมเฉพาะผู้ที่เป็นมหาบุรุษคือที่ว่าเป็นภูมิธรรมของมหาบุรุษเนี่ยเพราะว่าผู้ที่จะบรรลุ ถ, ถึงอานาปานสตินี้ต้องฝ่าฟันมากคือต้องเป็นคนมีความ เพียรความพยายามสูงจริงๆฉะนั้นผู้ที่มีความเพียรหรือความพยายามสูงเพื่อไปสู่ความสําเร็จเนี่ยเรายกย่องว่าผู้นี้เป็นมหาบุรุษถ้าใครไม่ได้ใช้ความเพียรเช่นนี้ถึงที่สุดแล้วหรือกระทาสิ่งที่ยากสําเร็จแล้วเราไม่เรียกว่าคนคนนั้นเป็นมหาบุรุษการปฏิบัติธรรมเพื่อบรลุอาณาปานสตินี้ก็เหมือนกันผู้ที่จะบรรลุผลเนี่ยต้องใช้ความเพียรสูงเพราะฉะนั้นท่านจึงยกย่องผู้ที่ใช้ความเพียรสูงนี้ว่าเป็นมหาบุรุษ ถ้าไม่ใช่มหาบุรุษแล้วจะบรรลุถึงความเพียรขั้นสูงนี้ไม่ได้เนี่ยอันนี้ไม่ใช่หมายความว่ามันยากเกินกว่าที่เราจะไปถึงแต่เชื่อแน่ว่าทุกท่านที่ภาพเพียรปฏิบัตินั้นมีโอกาสได้เป็นมหาบุรุษถ้าหากว่าทําได้สําเร็จแต่ไม่ใช่หมายความมันหนักเกินกทั้งเกินสติปัญญาของเราจะปฏิบัติได้ถึงเราปฏิบัติได้แต่ว่าเราต้องใช้ความเพียรสูงหน่อย ต้องใช้ความพยายามที่สูงขึ้นเพราะว่าอาณาปณสติเนี่ยจะบรรลุผลสำเร็จได้นี้เราจะต้องใช้สติกับปัญญาอย่างสูงสตินั้นขาดไม่ได้ต้องระลึกได้อยู่เสมอตลอดเวลาปัญญาก็ทิ้งไม่ได้ต้องมีกากับอยู่เสมอ จึงจะบรรลุถึงผลแห่งการปฏิบัติอันนี้ได้เนี่ยเพราะฉะนั้นการใช้สติและปัญญาอย่างมากเช่นเนี้ยมีเฉพาะผู้ที่เป็นมหาบุรุษเท่านั้นผู้ที่ไม่ได้เป็นมหาบุรุษเขาจะไม่ใช้สติไม่ใช้ปัญญาเลยเราไม่เรียกผู้นั้นว่าเป็นมหาบุรุษและผู้นั้นก็จะสำเร็จใน การปฏิบัติธรรมคืออานาปานสตินี้ไม่ได้อีกเช่นกันถ้าสติกับปัญญาไม่แก่กล้าก็ทำไม่สาเร็จนิมิต ท, ที่ปรากฏเกิดขึ้นเนี่ยต่างกันดังที่ได้อธิบายไว้ในตอนต้นเพราะฉะนั้นการที่เราจะวินิจฉัยว่าเรานี้ได้สาเร็จในตามปฏิบัติอาณาปานสติถึงขั้นนี้แล้วหรือยัง พระสารีบุตรท่านได้อธิบายไว้ในปฏิสัมพิธามัตย์ท่านอธิบายว่าหลักวินิจฉัยที่จะวินิจฉัยว่าบุคคลผู้ปฏิบัตินั้นสำเร็จในอาณาปณสติขั้นต้นนี้แล้วหรือยังเนี่ยท่านให้เราวินิจฉัยได้จากหนึ่งนิมิตสองลมหายใจออกสามลมหายใจเข้า ทั้งสามอย่างเนี่ยที่จะเป็นเครื่องตัดสินถ้าผู้ปฏิบัตินั้นคือถ้าผู้ที่จะเิญ อ, า น, าอานาปานาสติเนี่ยยังไม่เข้าใจว่านิมิตหนึ่งลมหายใจออกหนึ่งลมหายใจเข้าหนึ่งเป็นอารมณ์ของจิตคนละดวงแล้วผู้นั้นยังไม่บรรลุผลแห่งการปฏิบัติคือถ้าใครเข้าใจว่า นิมิตหนึ่งลมหายใจออกหนึ่งลมหายใจเข้าหนึ่งเป็นอารมณ์ของจิตดวงเดียวคนนั้นยังไม่ได้บรรลุผลแห่งการปฏิบัติต่อเมื่อใดรู้ว่านิมิตหนึ่งลมหายใจออกหนึ่งลมหายใจเข้าหนึ่งไม่ใช่เป็นอารมณ์ของจิตดวงเดียวคือเป็นอารมณ์ของจิตคนละดวงผู้นั้นย่อมสำเร็จ ผลแห่งการปฏิบัติข้อนี้ได้ก็ว่าอารมณ์ทั้งสามะการเนี่ยเป็นเครื่องวินิจฉัยผลแห่งการปฏิบัตินิมิต ท, ที่เรากําหนดอยู่ลมหายใจที่เรากําหนดอยู่ เ, เป็นอารมณ์ของกรรมฐานที่เราทุกคนภาพเพียนปฏิบัติและกําหนดการที่จะแยกสภาวะธรรมส่วนนี้ ออกไปให้ถูกต้องว่าอะไรเป็นอะไรเนี่ยต้องอาศัยความเข้าใจในด้านของการปฏิบัติอย่างถูกต้องเพราะว่าอารมณ์ทั้งสามเนี่ยไม่ใช่เป็นอารมณ์ของจิตดวงเดียวเพราะว่าเป็นอารมณ์ของจิตหลายดวงจิตเนี่ยเกิดขึ้นอยู่หลายๆขนาคือจิตดวงเดียวจะรับอารมณ์ทั้งสามอารมณ์ไม่ได้จะต้องรับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเพียงอารมณ์เดียวเท่านั้น คือจะรับพร้อมการรู้พร้อมกันทั้งนิมิตทั้งลมหายใจออกลมหายใจเข้าเนี่ยไม่ได้เนี่ยโดยสภาวธรรมที่จะวินิจฉัยฉะนั้นการวินิจฉัยหลักปฏิบัติอันเนี้ยบางทีก็ต้องอาศัยการศึกษาให้ลึกซึ้งและการสอบถามให้ถูกต้องว่ามันเป็นเช่นนั้นจริงหรือไม่เหมือนกับผู้เจริญพิปสนาเนี่ยถ้าขั้นต้นยังแยกรูปแยกนามไม่ถูกว่าอะไรเป็นรูปอะไรเป็นนามแล้ว ก็เท่ากับวาา่ายังอ่านหนังสือกไก่ายคอขาไม่ออกและจะไปผสมสระให้เป็นคําขึ้นมาได้อย่างไรให้เป็นประโยคขึ้นมาได้อย่างไรก็ผสมไม่ได้ต้องแยกออกไปว่าอะไรเป็นรูปอะไรเป็นนามรู้ว่าอันนี้รูปอันนี้นามนั่นแหละต่อไปจึงจะรู้ถึงเหตุปัจจัยแห่งรูปนามและก็รู้เห็นถึงลักษณะของรูปนามอันเป็นขั้นวิปัสสนากรรมฐานถ้ายังแยกไม่ออกว่าอะไรเป็นรูปอะไรเป็นนามแล้วก็ก็ปฏิบัติไปแบบที่ ไม่รู้อะไรเลยแต่ก็ได้ชื่อว่ากําหนดรูปนามละ่ะต้องแยกรูปแยกนามออกเสก่อนการปฏิบัติปิปัสนาเนี่ยจึงจะเกิดผลผู้เจริญอานาปานสตินี้ก็เหมือนกันขั้นนี้ยังเป็นขั้นสมถะอยู่ก็ต้องรู้ว่าอารมณ์ทั้งสามไม่ใช่เป็นอารมณ์ของจิตดวงเดียวถ้ารู้ได้อย่างนี้แล้วก็จึงจะชื่อว่าเป็นผู้ได้เข้าใจหลักปฏิบัติขั้นต้นนี้แล้วเพราะจิตดวงหนึ่งจะรับอารมณ์ได้เพียงหนึ่งเท่านั้น จะรับอารมณ์สองสามสี่เนี่ยไม่ได้เพราะว่าอารมณ์ที่เกิดขึ้นนั้นจะเป็นอารมณ์ของจิตแต่ละดวงแต่ละดวงสนั้นเองเนี่ยเพราะฉะนั้นเรื่องการวินิจฉัยว่าผู้ที่ปฏิบัตินั้นจะบระรลุผลขั้นนี้หรือไม่เนี่ยก็ต้องอาศัยหลักทั้งสามประการนี้ดังที่ท่านธรรมเสนาบดีคือพระสารีบุตรท่านได้อธิบายไว้ ซึ่งแต่ละท่านก็คงจะรู้จักท่านพระสารีบุตรนี้ดีเพราะว่าเป็นสาวกฝ่ายขวาของพระพุทธเจ้าและก็เป็นผู้ที่มีปัญญาสูงมากท่านอธิบายไว้แต่ว่านิมิตที่เราได้เนี่ยก็เป็นเครื่องวินิจฉัยได้ว่าสมาธินี้สูงขึ้นถ้าเรารักษานิมิตนั้นไว้ได้ไม่สูญหายจนกระทั่งไดถึงปฏิภาคนิมิต สมาธิจิตของเราก็ถึงอุปจารสมาธิเมื่อถึงอุปจารสมาธิเพียงแค่นี้ก็สามารถข่มนิวรณได้แล้วนิวรณห้าประการเนี่ยเราก็สามารถข่มได้ด้วยอำนาจของอุปจารสมาธิเมื่อข่มนิวรณได้เราก็มีความสุขตอนนิวรน์นี่เป็นเหตุแห่งทุกข์อันหนึ่งทาให้จิตเศร้าหมองถ้าเราข่มนิวรได้เราก็มีความสุขขึ้น เนี่เป็นผลที่เราได้จากการปฏิบัติมาจนกระทั่งถึงอุปจารสมาธิที่ได้นิมิตเนี่ยเกิดขึ้นอันนี้เป็นเป็นเรื่องของนิมิตในอาณาปานสติเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายที่กําหนดลมกระทบที่ปลายจมูกนี้ถ้าเรากําหนดไปแล้วเนี่ยเราเห็นเป็นรูปสายรุ้งก็ดีเห็นเป็นคล้ายๆกับหมอกเมฆหมอกก็ดีหรือเป็นนิมิต ที่เป็นแสงสว่างอย่างใดอย่างหนึ่งก็ดีนั่นเป็นผลจากการที่เราได้กำหนดสมาธิจิตขึ้นแล้วก็่าไปตื่นเต้นว่านิมิตเช่นนี้เป็นผลที่น่าพึงพอใจแล้วเป็นผลจากสมาธิจิตเท่านั้นที่เราจะถืออนิมิตอันนี้เป็นอารมณ์เพื่อทาให้จิตเนี่ยมีสมาธิสูงขึ้นต่อไปอย่าเพิ่งเข้าใจวันนี้เราได้บรรลุคุณวิเศษแล้วยังไม่ใช่คุณวิเศษ แลวก็ยังไม่ใช่สามัญญผลในพระพุทธศาสนาด้วยจะต้องอาศัยการปฏิบัติภาคเพียรเนี่ยต่อไปเราจึงจะได้บรรลุถึงซึ่งสามัญญผลส่วนนี้ <c oughs> ฉะนั้นในขั้นนี้ขอให้ท่านทั้งหลายที่เป็นผู้ใฝ่ใจหรือสนใจในการเจริญอนาปานสตินี้ได้เข้าใจถึงวิธีการที่ท่านพุทธโกสอ า, าจารย์อธิบายไวในวิสุทธิมารนีไว้ว่าหลักปฏิบัติเป็นอย่างนี้ แล้วก็เมื่อเกิดนิมิตอันนี้ขึ้นมาเนี่ยสมาธิเราจะถึงขั้นนี้แต่ส่วนหน้าที่ของท่านทั้งหลายที่จะทดลองก็คือการกําหนดลมขั้นนี้ขอให้กําหนดขั้นพุทนาคือขั้นลมกระทบก่อนทนจากการนับแล้วแต่ถ้าท่านผู้ใดที่ยังนับไม่คล่องก็ขอให้ปฏิบัติในขั้นคนานาไปก่อนถ้าถึงขั้นขนานานาจนกระทั่งเราเนี่ยนับลมได้คล่องทันปัจจุบันแล้วเราจึงจะ ขึ้นไปถึงขั้นพุสนานี้เพราะว่าพุสนานเนี่ยเป็นสมาธิที่ละเอียดจากขั้นขณ น, นาอีกทีหนึง่งโดยเราไม่ต้องนับเป็นแต่เพียง ก, กำหนดลมที่กระทบแล้วก็ไม่ต้องทรงจิตวิ่งตามลมต้นลมกลางลมปลายลมอยู่ที่ไหนเนี่ยเราไม่ต้องสนใจสนใจอยู่อย่างเดียวคือลมกระทบที่ปลายจมูกเท่านั้นส่วนวิธีการที่ เราจะต้องศึกษาก็จะเป็นวิธีการเกี่ยวกับทางด้านจิตใจคือทางด้านสมาธิที่เราจะได้รับในโอกาส ต, ต, อต่อไปเนี่ยก็ยังมีอยู่อีกหลายเรื่องด้วยกันซึ่งเป็นเรื่องที่ท่านทั้งหลายจะต้องเข้าใจไวส่วนในด้านของออผลแห่งการปฏิบัติในขั้นวิปัสสนากรรมฐานนั้น เราจะต้องศึกษากันอีกอีกเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะว่ามันจะขึ้นเป็นวิปัสนาเนี่ยได้อย่างไรเมื่อเราปฏิบัติถึงขั้นนี้แล้วเราจะยกจิตขึ้นถึงขั้นวิปัสนาเนี่ยจะเินอาณาปณสติที่เป็นวิปัสนานั้นนะจะจะไปได้อย่างไรเนี่ยเราจะได้ศึกษากันในโอกาสต่อไปสหรับวันนี้เวลาของการบรรยายก็สิ้นสุดลงแล้วอาตมาขอยุติตรงไว้แต่เพียงนี้ ครั้งที่แล้วได้พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการเจริญอาณาปานสติในเรื่องของพุสนาคือการกำหนดฐานกระทบของลมท่านทั้งหลายที่เคยทดลองปฏิบัติดูแล้วก็คงจะทราบว่าการกำหนดฐานกระทบของลมนั้น ทำให้เกิดสมาธิจิตขึ้นได้เร็วกว่าการกำหนดนับอย่างไบบ้าง <c oughs> ในวันนี้จะได้พูดถึง เ, ออ <c oughs> เกี่ยวกับสภาวธรรมที่เกิดขึ้นในขณะที่เรากำหนดอารมณ์เหล่านี้นอกเหนือไปจากนิมิตที่เคยอธิบายให้ทั้งทั้ ง, งหลายได้เข้าใจมาแล้วครั้งหนึ่ง คือพระโยคยีหรือผู้ที่ปฏิบัติกรรมฐานเนี่ยความสำคัญอยู่ตรงที่ว่าการปฏิบัติกรรมฐานนั้นเราควรจะใช้สมาธิจิตหรือการพิจารณาต่ออารมณ์ที่เรากำหนดเนี่ยอย่างไรบ้างในคำพีวิสุทธิมรรคท่านได้ย้าถึงเรื่องนี้ไว้ เช่นเทียอธิบายว่าประโยคีจะต้องเป็นผู้ทําจิตให้เห็นแจ้งโดยลำดับด้วยามสามารถแห่งฌานทั้งสี่คือฌานทั้งสี่นี่จะปรากฏเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราได้เจริญอนาปานสติจนกระทั่งถึงขั้นถ ป, ปนาคำว่าถั ป, ปนาเนี่ยแปลว่าหยุดอยู่ หยุดอยู่ในที่นี้หยุดอยู่ในอะไรก็คือหยุดอยู่ในนิมิตที่เราบริกรรมอยู่นั่นเองและนิมิตที่ถึงขั้นอั ป, ปนาสมาธิเนี่ยหมายถึงว่าเราได้ทําสมาธิจิตจนกระทั่งถึงฌานแล้วองค์ของฌานนั้นก็มีวิตกวิจารณ์ปีติสุกเอกคตาทั้งห้าเป็นองค์ของปฐมฌานส่วนของทุตีฌานนั้นก็ละองค์ฌานจากขั้นหยาไปสู่ขั้นละเอียด เช่นเมื่อเราได้ถึงทุติยฌานแล้วก็สามารถละวิตกได้เหลือแต่วิจารปีติสุขกเกะเอกคตาถ้าเราปฏิบัติถึงขั้นตัติยฌานแล้วเราก็ละวิจารได้เหลือแต่ปีติสุขเอกคตาถ้าถึงขั้นจตุตยฌานคือฌานที่สี่แล้วเราก็สามารถละปีติได้เหลือสุขกับเอกคตาถ้าถึงฌานที่ห้า ก็เหลือแต่อุเบกขากับเอกคตาทั้งสององค์อันนี้เป็นองค์ของฌานถ้ากราวโดยจตุกนายแล้วก็มีเพียงสี่คือฌานที่สี่อันประกอบด้วยอุเบกขากับเอกกัตาทั้งสองอย่าง <c oughs> <c oughs> การที่เราจะเ อ, อทำจิตให้เห็นแจ้งโดยลาดับด้วยสามารถแห่งฌานทั้งสี่นี้ หมายถึงว่าต้องอาศัยสมาธิจิตที่ได้ในฌานทั้งสี่นี้ไปสู่ความเห็นแจ้งอีกในยนหนึ่งเราเรียกว่าวิปัสนาเพราะวิปัสนาเนี่ยก็แปลว่าความเห็นแจ้งเห็นแจ้งดังกล่าวนี้ก็คือเห็นแจ้งด้วยปัญญาแล้วก็เห็นแจ้งในรูปและนามว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอย่างเนี้เรียกว่าเห็นแจ้งการที่เราจะทําจิตให้ เห็นแจ้งด้วยฌานทั้งสี่ในที่นี้ผู้ปฏิบัติธรรมจะต้องทําจิตให้บันเทิงอยู่เสมอทีนี้คําว่าจิตบันเทิงเนี่ยหมายถึงจิตชนิดไหนเรียกว่าจิตบันเทิงคือจิตของคนก็มีทั้งบันเทิงและก็ไม่บันเทิงบางวันก็ไม่บันเทิงบางวันก็บันเทิงปัญหามีว่าผู้ปฏิบัติธรรมจะมีจิตบันเทิงเนี่ยคือจิตชนิดไหน สำหรับจิตบันเทิงนี่ถ้าเราจะพูดกันู้เรื่องก็เห็นที่จะต้องเป็นนักปฏิบัตินักปฏิบัติแล้วก็พอจะพูดกันเข้าใจว่าจิตบันเทิงนั่นอย่างไรจิตบันเทิงนี่ก็คือจิตที่ไม่เหงาหงอยไม่เสื่อมซึมเราเรียกว่าจิตบันเทิงคือร่าเริงแจ่มใสยอยู่กับนิมิตที่เราได้ตลอดเวลา เ, เพราะฉะนั้นคำว่าบันเทิงกับคำว่าร่าเริงปราโมทเป็นสภาวะของจิตที่มีต่ออารมณ์ต่างๆถ้าหากว่าจิตนี้อยู่ในอารมณ์เช่นนั้นแจียมสายอยู่ตลอดเวลาแล้วก็เป็นจิตที่ควรแก่การงานในการที่เราจะน้อมไปสู่ความรู้แจ้งเห็นจริงต่อสภาวธรรมเพราะจิตบางครั้งเนี่ยไม่ควรแก่การงาน เมื่อไม่ควรแก่การงานเราจะไปฝึกงานนั้นก็ไม่ได้อย่างสมมติว่าจิตไม่คิดเลยที่จะปฏิบัติจิตที่ฟุ้งซ่านอยู่เราจะใ ช, ใช้จิตที่ฟุ้งซ่านอันนี้ไปพิจารณารูปนามนั้นไม่ได้ต่อเมื่อจิตเนี่ยหยุดฟุ้งซ่านแล้วจิตสบายดีแล้วเราจึงจะฝึกหัดจิตของเราเนี่ยต่อไปถ้าระหว่างนี้ก็ไม่สมควรแก่การงานจิตนี้ก็คงจะเหมือนกับสัต เช่นเหมือนกับม้าหรือช้างวัวควายต่างๆเหล่านี้เวลาคึกขนองแล้วก็จะกระโดดโลดเต้นไปตามอารมณ์ต่างๆน่าเป็นจิตที่คึกขนองแต่ว่าบางช่วงขณะของจิตเนี่ยมันจะรู้สึกสงบและเกิดความนึกคิดในเรื่องราวต่างๆอย่างมีเหตุผลไม่คึกขนองไปตามอารมณ์ต่างๆอย่างนี้ก็มี และในภาวะจิตอย่างนี้ถ้าหากว่าเราจะนั่งสมาธิก็จะได้ผลเร็วขึ้นนั่งไม่นานสมาธิจิตก็จะเกิดทันทีเนี่ยเป็นวิธีที่สาธุชนทั้งหลายควรจะได้ศึกษาแล้วก็ทดลองฝึกหัดดูว่าจิตเช่นใดเป็นจิตที่ควรแก่การงานในการที่เราจะน้อมไปสู่ความรู้แจ้งเห็นจริงต่อสภาวธรรม าะว่าภาวะจิตของคนนี้ไม่ใช่หมายความว่าจะใช้ได้ในกระแสของธรรมะทั้งหมดบางครั้งก็ใช้ไม่ได้แล้วก็ไม่ใช่เป็นจิตที่ควรแก่การงานเช่นนั้นด้วยก็จำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องมันฝึกฝนอบรมจิตของเราเองอันนี้ในอั ป, ปนาโกสนท่านได้สอนเราไว้มากว่าวิธีที่เราจะฝึกฝนกจิตของเราให้เกิด สมาธิหรือเกิดปัญญารู้แจ้งเห็นจริงนั้นจะต้องใช้วิธีอย่างไรบ้างเจ้าของจิตเองต้องเป็นผู้ฉลาดเพียงพอรู้เท่าทันต่อสภาวะของจิตตนเองด้วยการอบรมจึงจะบังเกิดผลเราต้องฉลาดในจิตของเราว่าในภาวะจิตอย่างนี้เราควรจะปฏิบัติอย่างไรในภาวะจิตเช่นนี้ควรปฏิบัติอย่างไรอันนี้อยู่ที่แต่ละท่านทั้งหลายผู้ควบคุมจิตเนี่ย จะต้องหันศึกษาดเูเพราะว่าในภาวะของจิตที่รับรู้อารมณ์ต่างๆในปัจจุบันนี้มักจะผันแปรไปตามสภาพของอารมณ์เป็นส่วนใหญ่เราจะสังเกตได้ว่าวันหนึ่งจิตเนี่ยจะผันแปรไปหลายๆครั้งตั้งแต่เชา้าถึงกลางวันถงึงค่ำกลางคืนกระแสจิตจะเปลี่ยนแปลงหลายครั้ง ทั้งนี้ก็เพราะว่าเราต้องรับอารมณ์เนี่ยมากมายด้วยกันว่ารับอารมณ์มากจิตก็เปลี่ยนแปลงมากในวิสุทธิมารกนี้ท่านกล่าวว่าการบันเทิงยิ่งของจิตเนี่ยจะมีหรือจะเกิดขึ้นได้ด้วยอาการสองอย่างคือจิตจะบันเทิงได้เนี่ยต้องอาศัยอาการสองอย่างคือด้วยอานาจของสมาธิอย่างหนึ่งและด้วยอำนาจแห่งวิปัสสนาอย่างหนึ่งถ้าหากว่า จิตนี้ถูกฝึกฝนได้อำนาจของสมาธิแล้วสมาธินี้แหละที่จะทำให้จิตเนี่ยเกิดความบันเทิงหรือเกิดปรามโมทเกิดความร่าเริงขึ้นมาต้องอาศัยอานาจสมาธิสมาธินี้นะว่าเป็นปัจจัยสำคัญในการที่เราจะฝึกฝนจิตไปสู่ความรู้แจ้งคือตัวปัญญาท่านอุปมาว่าเหมือนกับน้าถ้าหากว่าน้านั้นไม่สงบ คือน้ำเนี่ยไหลอยู่ตลอดเวลาแล้วน้ำนั่นจะขุน <c oughs> หรือน้ำที่มีคลื่นจัดน้ำนั้นก็ขุนไม่ใสเห็นอะไรไม่ชัดเจนแต่ถ้าน้ำนั่นสงบเราก็จะเห็นอะไรต่างๆที่อยู่ใต้น้ำได้ชัดเจนจิตของคนก็เหมือนกันในภาวะที่จิตฟุ้งซ่านนั้นจะเห็นอะไรไม่ชัดเจนแต่ในภาวะของจิตที่สงบนั้นเราจะเห็นอะไรได้ชัดเจนอย่างยิ่ง สมาธิจิตนั้นเป็นการฝึกฝนจิตให้เกิดความสงบเป็นเบื้องต้นแล้วเราจึงจะเกิดความรู้แจ้งเห็นจริงในขั้นต่อไปคือในขั้นวิปัสนาต่อไปฉะนั้นการฝึกฝนจิตให้เกิดสมาธิก่อนจึงเป็นเหตุเป็นปัจจัยอันหนึ่งที่จะให้เกิดความบันเทิงในทางจิตได้แล้วขั้นที่สองจึงจะไปถึงขั้นวิปัสนา คือเราจะต้องหมั่นพิจารณาในขั้นวิปัสนาให้เกิดความรู้แจ้งเห็นจริงในสภาวะธรรมออในขั้นวิปัสนาเนี่ยเป็นการเจริญอานาปานสติขั้นสูงขึ้นไปแล้วเพราะว่าวิปัสนานั่นจะไปสู่ขั้นวิวัตนาต่อไป ถ้าหากว่าเราได้เจริญวิปัสนาอยู่ต่อจากสมาธิจิตแล้วก็แสดงให้เห็นว่าท่านผู้นี้กำลังปฏิบัติในอนาณาปานสติกรรมฐานนี้ไปสู่ความรู้แจ้งได้โดยอาศัยพื้นฐานทางสมาธิคือฌานดังกล่าวนี้การตั้งจิตไว้มั่นในอารมณ์ด้วยอำนาจแห่งปฐมฌานก็ดีหรือด้วยอำนาจแห่งทุติยฌานก็ดีตตดยฌานก็ดี หรือจะตุถิชานก็ดีผู้ปฏิบัตินั้นจะต้องหมั่นพิจารณาจิตที่สัมปยุทธ์ด้วยชาญคือที่ประกอบกับชาญ น, นี้ว่าจิตที่ประกอบด้วยชานนี้มีแต่ความเสื่อมสิ้นไปและอาการที่จิตที่เป็นไปอยู่เช่นนั้นก็มีการเสื่อมสิ้นไปด้วย เราจะต้องหมันพิจารณาในอารมณ์เช่นนี้ยอยู่เสมอจุดสาคัญที่สุดที่พระโยคีบุคคลหรือผู้ที่ปฏิบัติธรรมนั้นจะต้องพิจารณาก็คือการปฏิบัตินั้นเรามีจุดมุ่งหมายอยู่อย่างหนึ่งคือการปลดเปลื้องจิตจากกิเลสต่างๆตั้งแต่กิเลสขั้นหยาบไปสู่กิเลสขั้นละเอียดนี่เป็นจุดหมายของการปฏิบัติกิเลสขั้นหยาบในที่นี้ก็คือนิวรห้า อันได้แก่การมฉันทะนิวรณ์พยาบาทนิวรณ์ถีนบิทานิวรณ์อุทธัจักขกคุจจานิวรณ์วิจิกิจานิวรณ์นิวรณ์ทั้งห้าประการนี่ถือว่าเป็นเป็นเครื่องร้อยรัดของจิตและก็จัดว่าเป็นกิเลสขั้นยาบุตุชนทุกคนเนี่ยมีอยู่เช่นความพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสในสัมผัสจิตที่ผูกพยาบาทอาคตาจองเวณ จิตที่มีความปดขู่ท้อถอยจากอารมณ์หรือความเกียร์ครานจิตที่ประสบต่อความฟุ้งซ่านเดือดร้อนใจแล้วก็จิตที่มีความลังเลสงสัยในพระธรรตรัย ต, ต่างๆเนี่ยพุทุชนเรามีอยู่ทุกคนเว้นไว้แต่ผู้ที่ได้เจริญสมาธิจนกระทั่งถึงปฐมฌานแล้วอำนาจแห่งฌานทั้งห้านั่นแหละ จะปลดเรื่องนิวรณ์ห้าที่เกาะจิตอยู่เนี่ยให้หมดไปได้แต่ถ้าหากว่ายังไม่ถึงปฐมฌานแล้วแล้วก็เราก็ยังไม่สามารถที่จะปลดเรื่องจิตนี้ให้หมดไปจากนิวรธรรมทั้งห้าได้การปลดเรื่องจิตจากนิวรธรรมทั้งห้านั้นเป็นหน้าที่ของขององค์ฌานที่เราได้มาแต่ละฌานจะทำหน้าที่ปลดเรื่องจิต ให้ออกจากนิวรณ์ทั้งห้าประการนี้ได้เพราะได้ปฐมฌ า, านนิวรณ์ห้ากถูกทําลายไปหมดด้วยอํานาจขององค์ฌานที่เป็นวิตกวิจารปีติสุขและเอกคตาอันนี้ได้เคยอธิบายทั้งหลายได้เข้าใจมาครั้งหนึ่งว่าองของฌานแต่และองค์นั้นได้ทาหน้าที่ในการตดเรื่องนิวรธรรมทั้งห้านี้อย่างไรสําหรับจิตที่สัมปยุทธ์ด้วยด้วยฌาน หรือเราจะสร้างจิตให้เกิดความบันเทิงด้วยอำนาจแห่งวิปัสสนานี้ผู้ปฏิบัตินั้นจะต้องอพิจารณาจิตที่สัมปยุตกับยานที่สัมปยุตซึ่งกันและกันนั้นให้พ้นไปจากเครื่องร้อยรัดต่างๆเช่นอย่างนิจจสัญญาความสำคัญว่า รูปนามนี้เป็นของเที่ยงการที่เราจะปลดเปรื่องความเห็นผิดเช่นนี้ให้หมดไปได้อย่างไรสุขสัญญาคือความยึดมั่นว่ารูปนามหรือสังขาร น, นี้เป็นสุขแล้วก็อัตตาสัญญาคือความยึดมั่นว่าสังขารหรือรูปนามนียเป็นอัตตาตัวตนของเราเนี่ยเราจะปลดเปรื่องกันได้อย่างไร เพราะว่าตั้งแต่เราเกิดมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้สัญญาทั้งสามประการเนี้ฝังแน่นอยู่ภายในจิตเรามีความรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของเที่ยงสรรพสิ่งทั้งปวงที่เกิดขึ้นมาในโลกนี้เป็นของเที่ยงเรายึดมั่นว่าสังขารทั้งหลายเป็นสุขเรายึดมั่นว่าเป็นอัตตาตัวตน ในความสาคัญผิดเช่นนี้มีฝังลึกอยู่ภายในจิตของเราเป็นเวลาชานานแล้วเราจะปลดเปลื้องความเห็นผิดเช่นนี้ให้หมดไปได้อย่างไรเนี่ยเป็นวิธีการที่เราจะต้องศึกษากันในที่นี้การปลดเปลื้องจิตที่มีนิจจสัญญาอยู่นั้นเราจะปลดเปลื้องด้วยอะไรจึงจะพ้นไปจากนิจจสัญญาส่วนนี้ เพราะทุกท่านที่ยังไม่ได้บรรลุถึงเึื่องความเป็นซาเรียบุคคลนั้นเราก็มักจะเห็นอะไรว่าเป็นของเที่ยงอยู่เสมอเห็นว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้จะต้องมั่นคงถาวรเป็นของเที่ยงตลอดไปซึ่งถ้าเราจะพิจารณาถึงข้อเท็จจริงที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นอะไรที่เกิดขึ้นมาในโลกปัจจุบันหรือมีอยู่ในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นวัตถุ หรือนามธรรมาหรือสังขารอันใดทั้งที่มีวิญญาณครองและไม่มีวิญญาณครองที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้มันอยู่ในภาวะเช่นใดเที่ยงหรือไม่เที่ยงสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เราศึกษาได้จากชีวิตปัจจุบันนี้ว่ามันเป็นของเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่จำเป็นที่เราจะต้องไปศึกษาอะไรให้ลึกซึ้งมาก เป็นแต่เพียงเราพิจารณาดูสังขาร ท, ทั่วไปเนี่ยเราก็จะเห็นได้ชัดเจนว่าความไม่เที่ยงหรือความเปลี่ยนแปลงนั้นมีอยู่เป็นประจำในสังขารทั้งหลายเพราะทุกอย่างที่มีอยู่ในโลกนี้เกิดขึ้นด้วยการปรุงแต่งให้เกิดเมื่อมีการปรุงแต่งให้เกิดมันก็มีการเสื่อมไปในทางธรรมะใช้ศัพท์ว่าสังกต ธ, ธรรมเพราะธรรมเหล่าเนี้มันเกิดขึ้นด้วยเหตุแลปะปัจจัยปรุงแต่ง จากนั้นสิ่งใดก็ตามที่เกิดขึ้นโดยเหตุปัจจัยปรุงแต่งสิ่งนั้นมันก็จะเสื่อมไปตามเหตุและตามปัจจัยเราพิจารณาถึงข้อเท็จจริงที่มีอยู่ในโลกอย่างนี้เราก็จะเห็นว่าไม่มีอะไรที่เป็นของเที่ยงในโลกเปลี่ยนแปลงไปตามลำดับไม่ว่าจะเป็นวัตถุสิ่งของหรือชีวิตของมนุษย์ก็มีการเปลี่ยนแปลงไปรวมทั้งตัวเราเองด้วยก็มีการเปลี่ยนแปลง เราจะเห็นได้ว่าตั้งแต่เราเกิดมาขณะแรกนั้นรูปร่างกายเราก็ยังไม่ปรากฏชัดละเอียดที่สุดแล้วก็ค่อยๆเจริญเติบใหญ่มาเป็นก้อนเนื้อแล้วก็จเจริญวิวัฒนาการมาเป็นเด็กทารกแล้วก็จเจริญเติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่เมื่อเป็นผู้ใหญ่เต็มที่แล้วก็บ่ายไปสู่ความแก่และผลสุดท้ายก็จะถึงความตาย เนี่ยสภาวะธรรมเป็นอยู่อย่างนี้เกิดขึ้นเจริญแล้วก็บายไปสู่ความเสื่อมและความแตกดับในที่สุดอันนี้เป็นความเปลี่ยนแปลงของสังคตะธรรมแม้แต่วัตถุต่างๆที่มีปรากฏอยู่ในปัจจุบันนี้มันก็มีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาเช่นอย่างพระตำหนักสมเด็จที่เรานั่งกันอยู่ที่นี่ตอนสร้างใหม่ๆก็สวยงามดีแต่การเวลาล่วงเลยไปนานเข้า ก็จะเก่าค่ำคร่าลงตามลำดับเราต้องเป็นภาระในการปฏิสังขรณ์อุรณะพอทาสีงามๆไม่กี่วันสีนั้นก็เศร้าหมองต่อไปอีกเนี่ยเป็นความเปลี่ยนแปลงและความไม่เที่ยงของสังขตรธรรมและใครๆก็ห้ามความเปลี่ยนแปลงเช่นนี้ไม่ได้เพราะว่าเป็นสภาวะธรรมเราจะไปฝืนธรรมชาติอย่างไรก็ไม่สาเร็จอย่างมากก็เป็นแต่เพียงว่าปลก ป, ป, ปลืเกลือนเอาไว้ อย่างพอตึกเก่าเราก็เอาสีมาทาเสื้อใหม่อย่างนี้เป็นต้นแต่มันก็จะคงทนไม่นานลักษณะอย่างนี้เราอาจ